ดารินดัดสายหนังกันแหวงของสองปืนสั้นติดเอวเข้ากับโคนขาแล้วหันไปหยอกล้อกับเจ้าพรายลูกชายตัวน้อยของเจ้าขนงและนางแอที่หลอนทำคลอดให้ซึ่งพ่อแม่ของมันหอบหิ้วออกมาคอยยืนส่งอยู่ด้วยด้วยความเอ็นดูรักใคร่ประหนึ่งว่าเจ้าทาโรคเลือดชาวเขาจะเป็นบุตรหลานของหลอนเองอยู่ให้ดีนะพ่อพรายแม่กําลังจะจากไปแล้วหลอนพูดอ่อนหวาน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 แง่าสายคนเดียวยืนห่างกลุ่มของทุกคนออกไปทางหนึ่งสงบนิ่งเหมือนหุ่นท่อสายหลีซ่ซึมไปยังขาหัวแรงเบื้องหน้าอันเป็นทิศทางเดียวกับชายยันลักษณะการจมลึกอยู่ในห่วงผวังลิมฝีปากปรากฏรอยยิ้มน้อยๆแต่กลางบทกันนูนเป็นสันในที่สุดทูปทุกดอกก็ดับสนิทหมดควันลงได้เวลาแล้วไปกันเถอะครับ แล้วผนกล่าวพร้อมกับยิ้มขรึมๆกับคณะนายจ้างของเขาแล้วหันไปโบกมือเป็นสัญญาณกับพวกนั้นทั้งหคนก็เข้าประจําที่สัมภาระซึ่งจัดสรรแบ่งหน้าที่กันไว้พร้อมสัพท์แล้วบุญคํากับเกิดคู่หนึ่งจันท์กับเสยคู่หนึ่งและขยินกับแงซายผู้มีร่างสูงใหญ่ไร้เรียกกันอีกคู่หนึ่งรวมเป็นสามคู่แบ่งคานหามสัมภาร ะ, ะที่แบ่งออกเป็นสามหี่พ่อใหญ่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 ขอให้นายหญิงและทุกคนจงปลอดภัยในการเดินทางมุนางอัวและชาวรมช้างทุกคนจะเฝ้ารอคอยการกลับคืนมาของนายหญิงและคณะเราทั้งหมดรวมทั้งขยีนพ่อเจ้าด้วยก็หวังไว้ว่าจะได้กลับคืนมาที่นี่อีกครั้งแต่อีกสักเมื่อไหร่เจ้าที่สถิตยอยู่บนขาหัวแรงนอนเท่านั้นที่จะรู้ได้ขอให้พวกเจ้าทุกคนจงอยู่กันอย่างมีความสุขราก่น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 ซึมเศร้าอย่างไรพิกนแล้วพินไพยวันเป่าบุรีเป็นทางยาวเดินสำรวจขบวนลูกหาบร่วมตายทั้งหและหีพ่อสัมภระเหล่านั้นอีกครั้งซักถามคนเหล่านั้นสองสามคำแล้วก็เดินล้ำออกไปเบื้องหน้าถอดหมวกออกยืนสำรวมนิ่งหันไปทางทิศทางที่ตั้งเข็มไปเบื้องหน้าอยู่อุดใจก็ครอบหมวกไว้บนศีรษะตามเดิมเหลวกลับมาโบกมือเป็นสัญญาณให้เริ่มต้นการเดินทาง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 เราก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าได้จากบ้านของเราเองเหมือนกันชายันเอ่ยขึ้นไปเปยขณะที่เดินรวมกลุ่มกันไปไม่ตีจิตมิตรภาพอันแท้จริงย่อมหาได้ในป่ามากกว่าในเมืองเป็นคำพูดคล้ายจจริญพึงของหัวหน้าคณะซึ่งไม่เจตนาที่จะเอ่ยกับใครโดยเฉะชายันเร่งฝีเท้าขึ้นไปเดินเคียงไหลผ่านใหญ่รู้สึกเป็นยังไงบ้างผู้กองแล้วินหันมายิ้มให้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 ถ้ามันมีถนนอย่างว่านี่และถ้าเขาใช้รถยนต์สปอร์ตแรงสูงชั้นนี้ที่เคยขับเย้ยมนุษย์ตยู่อยู่ในกรุงแล้วก็สักสิบนาทีก็คงถึงมัง้งหรือถ้าไปด้วยเฮลิคอปเตอร์ก็ยิ่งเร็วกว่านั้นอีกพูดออกมาได้ยังกับไม่เคยเดินป่า ง, งั้นแหละทั้งๆที่ก็เดินเสียจนขาฉิงมานับไม่ถ้วนแล้วดารินไม่พูดอะไรแต่ผักไหลชายาเซเขารกไปโดยแรงป่ามันทึบมากเราเดินเป็นเส้นตรงไม่ได้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 แง่ทรายกับขยินอยู่ร้างท้ายขบวนมันจริงอย่างที่จอมพรานบอกไว้ชั่วโมงเศษต่อมาก็ตัดลงจากเขาอันเป็นที่ตั้งหมู่บ้านหมช้างเข้าสู่ดงทึบภาพของเขาหัวแรงอันเป็นที่หมายมองเห็นเป็นทิวก้านขอบฝั่งอยู่ริบลิก็พันลับหายไปเพราะถูกบทบังไว้หมดสิ้นเมื่อลงมาสู่หุบระพินนํารุดไปตามทางด่านสัตว์ที่คดเคี้ยวซ้องสอนผ้าตัดกันอยู่ไปมาราวกับคนมาทําไว้นั้นอยู่คู่ใหญ่ ก็ใช้มีดเดินป่าทางพงตัดแยกเข้าไปในส่วนอันเป็นป่ารกโดยใช้เข็มทิศดูอยู่เป็นระยะต่อมาก็ทะลุออกบรรจบกับทางด่านอันเดินสะดวกอีกแล้วก็หักตัดทางใหม่สลับกันอยู่เช่นนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าจนคณะนายจ้างไม่สามารถจะจดจําได้ว่าขณะนี้ต่างอยู่ทางด้านไหนของหมู่บ้านร่มช้างนอกจากจะใช้ดูจากเข็มทิศประจําตัวแต่ละคนซึ่งกําหนดแนวทางไว้ก่อนที่จะลงจากเนินเขาหล่มช้างมา นอกจากกิ้งกาง่าโด่งตัวขนาดท่อนแขนสีสันประหลาดที่มักจะเกาะชูคอทำตัวพองอยู่ตามโคนไม้แล้วป่าทั้งป่าเงียบสงัดเปล่าเปลี่ยวมองไม่เห็นสัตว์อะไรแม้แต่ลิงหรือข้างสักตัวเดียวอากาศกลางด่งระอุอ้าวเต็มไปด้วยกลิ่นอับของใบไม้เน่าเชิถากับชายยานชักมีดเดินป่าที่เสียบหลังติดประจำตัวอยู่ด้วยออกมาช่วยระพินถากถางในกรณีที่มีการตัดทางบุกเข้ารก ดารินปลดจุด300 A เทอม B บีแม็กนัมประจำตัวรงจากไหล่มาถือไว้ในมืออย่างไม่ประมาทในขณะที่คณะพักทั้งสถือมีดอยู่ในมือฟันกิ่งไม้เปิดทางมุดล่อซอกซอนกันเข้าไปประมาณ10นาทีหนทางเดินก็เริ่มตต่ขึ้นสู่พื้นที่อันเต็มไปด้วยหมอและมากสลับไปกับลำห้วยแหง้งการเดินยากลำบากเต็มไปด้วยอุปสรรคทวีขึ้นทุกขณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่หาหาสัมภร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 เดินป่ามาแล้วนับเป็น10บสปีขึ้นไปส่วนแกมันนักท่องป่าหน้าใหม่เพิ่งจะมาเดินป่าเอาจริงๆไม่เกินเดือนหนึ่งมานี้เองเพราะฉะนั้นยัมันมีปัญหากลังขาอะไรอยู่เลยค่อยเดินตามเข้าไปอย่างเดียวก็แล้วกันที่ถามก็เพราะต้องการจะศึกษาเรียนรู้อดีตนายทหารปืนใหญ่บอกอ่อยๆนี่นะเหรอนายทหารอยากรู้ว่าเรียนสําเร็จจนกระทั่งได้ยศพันตรีมาได้ยังไง ขนาดวิชาลูกเสือสำรองก็ยังไม่รู้กำหนดทิศยังไม่ถูกคู่อริสาพูดเบาๆมาอย่างได้ทีขณะที่เปิดจุกกติกออกกรอกน้ําดิมชายยันขยี้ปลายจมูกอย่างฉุนๆได้ทีเป็นไม่ได้นะขี่แพะไล่สัล่ําไปไม่ได้ขี่แพะไล่หรอแต่ทําคานที่ขยายที่เธอออกไม้จับได้นักหายหน้าจริงๆแล้วเราล่ะรู้หรือว่าทิศไหนเป็นทิศไหนขณะที่อยู่กันตรงนี้ ถึงฉันจะไม่รู้ก็ไม่เห็นเสียหายอะไรตรงไห น, นฉันเป็นหมอไม่ได้เป็นลูกเสือทหารหรือพรานป่าผู้หากินอยู่กับทิศหม่อมราชวงศ์สาคนสวยซ่อนยิม้มพูดเนิบเนิ บ, นบมองหน้าตะเฉยแต่ถึงเป็นหมอก็ตามเหอะฉันก็ยังชี้ทิศให้เธอได้ถูกไหนบอกมาซิตะวันออกอยู่ทางไหนชายยันกระชากเสียงถามมาโดยเร็วดารินยิ้มเยาะก่อนจะมารองภูมิฉัน ตรวจสอบภูมิของตนเองก่อนดีกว่าในฐานะที่ตัวเองเป็นทหารแล้วตอนที่อยู่ห่มช้างก็เห็นคุยวโวไว้นักว่าเดี๋ยวนี้เดินป่าได้ชนานาญแล้วเอาละ่ะตัวเองนั่นแหละบอกมาสิตะวันออกอยู่ไหนเออบอกมาถ้าถูกก็ให้ยศเป็นในพันตีตามเดิมแล้วถ้าผิดละ่ะเพื่อนชายชักสงสยัยดาลินดื่มน้ากล้วข่อยอีกครั้งยักคิ้วหาถอดลงเป็นพลทหาร ชายยานกลืนน้ำลายทำหน้าพิกลและพินกับเชษ่ากัดเต็มฝีปากกลั้นหัวเราะอดีตนายทหารปืนใหญ่ถอดหมวกออกมาก้าวศีรษแะแกลกบนพรมว่าจะเล่นถอดยศเป็นพลทหารเสร็จแล้วก็น่าถอดหยอกอยู่หรือถ้าชี้ทิศไม่ถูกเร็วบอกมาตะ ว, วันออกอยู่ไหนหล่อนขู่สำทับมาโดยเร็วชายยานคลางเบาๆในราคอมองไปทางพรานใหญ่เหมือนจะอาศัยเป็นที่พึง่งดาเินก็ตัดลามาทันทีว่า ห้ามบอกข้อสอบกันนะแล้วก็ห้ามดูเข็มทิศด้วยไม่งั้นถือเป็นโมฆะปล่อยให้ชยันชี้ทิศเอาเองอีกฝ่ายฝืนหัวเราะฮีโร่เรื่องกล้วยแค่นี้เองว่าแล้วขเขาก็ลุกขึ้นยืนเดินไปที่ต้นไม้ต้นหนึ่งพยายามเอามือรูปคำดูรอบรอบต้นด้าลินหัวเราะลั่นร้องออกมาหมดท่าแล้วในพันตีชยันอนันตรายลงถึงขั้นเอามือคลาต้นไม้ไม่มีทางหรอ อย่าอาวิชาลูกเสือสำรองมาใช้หน่อยเลยไม่เห็นหรือว่าดงนี้นะมันทึบเสียจนแสงตะวันลอดลงมาไม่ถึงพื้นคลาให้ตายก็ไม่รู้ว่าด้านไหนแดดส่องอันหมายถึงตะวันออกอย่างที่จะต้องการหาบ้าสาคัญรู้เสีด้วยว่าวิชาลูกเสือก็ทํากันอย่างนี้ชายยานบ่นอุบระหว่างที่ดาลินก้มลงหัวเราะตัวงอเชิดาเหือยๆ อ, อยู่ในลาคอส่วนรัพินยิ้มยิ้มเขาพอใจอยู่อย่างหนึ่งมาแต่ต้นแล้ว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 อย่างน้อยที่สุดมันก็ช่วยคลี่คลายบรรยากาศอันเครียดหนักลงไปได้เมือ่อไม่ได้ที่พึ่งจากการขำต้นไม้ชายยันก็หันตรีหันขวางหมุนไปรอบตัวอยู่อึดใจแล้วก็ตัดสินใจชี้ส่งเดชนี่ตะวันออกอยู่ทางนี้ดาลินมองดูอย่างสมเพชและคนขบขันแล้วบอกว่าเอาละ่ะหันไปถามพรานใหญ่คู่ขาของเธอดูสิว่าเธอชี้ผิดหรือถูกในฐานะเป็นพรานนาทาง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 พรานใหญ่หลบตาหล่อนเบื่อนหน้าไปกั้นหัวเราะจนตัวขยาด่าดินร้องอะไรออกมาคําหนึ่งก่าเข้ามาผลัก อ, อกเขาเซไปเดี๋ยวต่อยเปรี้ยงเลยอ๋อนึกว่าดูเข็มทิศไม่เป็นก็เลยมาแหกตากันซึ่งหน้าอย่าเงี้ยเหรอเสียแรงให้เกียรติยกให้เป็นกรรมการดีแล้วนะเราน้อยแล้วกันเรานี่ทําไมถึงนักเลงอย่างนี้นะพี่ชายร้องทักมาปนหัวเราะเจออันธพานก็ต้องนักเลงด้วยอย่างนี้แหละค่ะ